เท่าไหร่เนอะของกูนะตอนนี้กูทำนะเรื่องกูทำนะแต่บัตรนี่ไป ใจดวงนี้เคยถูกความมืดดำภาษาทางธรรมะท่านให้ชื่อว่ากิเลสปิดบังครอบงำบีบคัน้นมาเป็นเวลานา น, านแสนนาน โลกใดก็าตามผู้ใดก็าตามไม่สามารถที่จะหยั่งทราบสิ่งปิดบงักบงกดขี่บังคับจิตใจนี้ได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เท่านั้นในขั้นเริ่มแรบกบที่จะนำความจริงทั้งหลาย ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเองออกประกาศแก่มวลสัตว์อันดับต่อมาก็คือพราษาวลกของท่านโลกจึงถูกสิ่งเหล่านี้ปิดบังและนำเอาใจดวงนั้นออกเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ของตนอย่างออกหน้าออกตาทั่วโลกดินแดนคือกามโลกรูปะโลกอรูปะโลกยวนแล้งแต่ถูกธรรมชาติอันนี้กดขี่บังคับและใช้การใช้งานไปตามความต้องการของมัน โดยเจ้าตัวไม่รู้สึกเลยถ้าเราจะเทียบก็เหมือนเรากับสัตว์เลี้ยงต่างๆนั่นแหละจะนำไปไหนใช้การใช้งานอะไรสัตว์ก็จำต้องทำตามเพราะเมื่อไม่ทำตามก็ถูกเคี่ยนถูกตีถูกทรมานดีไม่ดีบางลายถึงกับต้องฆ่าหาว่าสัตว์นั้นพยศ สัตว์นั้นดื้อดึงเพราะเหตุนั้นสัตว์จำเป็นจึงต้องทำตามการบัญชาหรือความต้องการของมนุษย์เขียนสัตว์วัวควายนำไปไถไร่ไถานาใส่ล้อใส่เพียนมา้าใช้ขับขี่สัตว์ชนิดใดที่ควรจะใช้งานได้ในประเภทใด ก็นำไปใช้งานนั้นพวกช้างก็ใช้ลากเข็นสุงนภาระหนักต่างๆแต่และประเภทประเภทของสัตว์ที่ควรจะใช้งานอย่างใดได้มนุษย์ใช้มันทางนั้นที่ใช้ไม่ได้ก็เอาเนื้อหนังของมันมาเป็นอาหารแม้สัตว์ที่ใช้ได้เหล่านั้น ก็ยังไม่พ้นความเป็นอาหารของมนุษย์ถ้าจะเทียบถึงเรื่องมนุษย์เอาเปรียบสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ไม่มใีใครเกินได้เลยนี่เราเทียบกิเลสกับจิตใจของสัตว์โลกเป็นเช่นนั้นเหมือนกันใจเป็นเหมือนกับสัตว์กิเลสเป็นเหมือนกับเจ้าของ คอยใช้การใช้งานอะไรตามความต้องการไม่มีรายใดจะฝืนมันได้เพราะไม่ทราบเช่นเดียวกับสัตว์ไม่ชาไม่ทราบอุบายสติปัญญาและความต้องการหรือความฉลาดแหลมคมของมนุษย์จำต้องยอมจำนนไปโดยลำพัจิตใจก็เป็นเช่นนั้นจนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันระหว่าง กิเลสกับจิตนั้นไม่ทราบว่าอันใดเป็นกิเลสอะไรเป็นสิ่งที่ให้มืดมุนอนทการในขณะเดียวกันยิ่ยงไม่ทราบว่าอันใดเป็นสิ่งที่จะทําให้สว่างกระจ่างแจ้งพอมองเห็นสิ่งมืดมุนอุนทะการทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภ า, ายในจิตใจในี้ได้ นี่ความละเอียดของธรรมชาติที่ทำให้จิตเป็นวัดตะจับหมุนวกเวียนไปมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่หยุดไม่หย่อนกี่ภพกี่ชาติเกิดมาเป็นกำเนิดอันใดบ้างไม่มีทราบได้เลยเช่นเดียวกับสัตว์ปิเดาชานนั่นแหละ เมื่อสิ่งนี้ปิดบังหุ่มหัวแล้วสติปัญญาที่ควรจะออกควรจะรู้จะเห็นในความจริงทั้งหลายก็ไม่มีนอกจากรู้ไปตามแนวแถวของกิเลสที่บ่งการเท่านั้นเพราะฉะนั้นความรู้ของโลกกับความรู้ของธรรมคือความรู้ของจิตที่เป็นไปตามกระแสของกิเลส กับความรู้ของจิตที่เป็นไปด้วยอำนาจกระแสะแห่งธรรมจึงต่างกันมากโดยลำดับลำดาบเป็นต่างกันอย่างคนละโลกเลยเพราะความรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่อำนวยให้กิเลสโดยไถ่เดียวแต่ความรู้ทางด้านธรรมะนี้อำนวยให้เรา ปรากฏเป็นความสุขความสบายขึ้นมาเคยมืดจิตใจเคยมืดก็ค่อยสว่างขึ้นมาโดยลําดับเพราะกระแสของธรรมธรรมเป็นเหมือนกับไฟฟ้ากิเลสเป็นเหมือนกับความมืดดับไฟฟ้าเปิดขึ้นที่ไหนสถานที่นั่นก็สว่างตาม กำลังของไฟถ้าไฟมีกำลังกล้าก็สว่างจ้าไปหมดรอบด้านรอบตัวจิตใจที่มีความสว่างด้วยด้วยทำตามกำลังที่ตนปฏิบัติได้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอันใดปิดบังหุ่มห่อจิตใจไม่ให้รู้ให้เห็นความจริง มากน้อยจนถึงความจริงเต็มส่วนได้ยิ่งกว่างกิเลสประเภทต่างๆที่ปิดไว้อย่างมิดตัวท่านผู้ทรงค้นพบจึงเป็นท่านผู้อัศจรรย์มากอัศจรรย์ตามหลักความจริงไม่ใช่อัศจรรย์ตามความโ ด, ดยความเสียสันปั้นหยอกคำว่าอัศจรรย์ตามความจริงนี้นั้น ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้รู้ตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านรู้มาแล้วอย่างไรโดยลําดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงทะลุเต็มสัตว์เต็มส่วนไม่มีสิ่งใดสงสัยแล้วระหว่างโลกกับธรรมระหว่างจิตกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายเป็นคนละวัตรละตอนเห็นได้อย่างชัดเจน ผู้นี้แลเป็นผู้ที่จะเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับ้ารเห็นความอัศจรรย์ภายในตัวเองเพราะในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ทราบได้ชัดในสิ่งที่เป็นภายต่อจิตใจมานานเท่าไหร่ไม่ต้องไปนับว่ากับนั้นกันนี้ยืดเยื้อเสียเวลาไปเปล่าๆดูตัวกิจที่มีความเกี่ยวกล้องพัวพันกับสิ่งใด มากน้อยเพียงไรมาแต่การใดก็ตามดูภายในจิตและชำละสะสางจุดนี้ให้มีความสว่างสวัยขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งขาดจากกันระหว่างสิ่งที่เคยเกี่ยวพันกับจิตไม่มีชิ้นต่อกัน เห็นได้อย่างชัดเจนไม่ต้องถามทุกหนึ่งผู้ใดเพราะไม่มีอะไรจะถามความจริงเต็มหัวใจอยู่แล้ถามอะไรนี่เป็นเครื่องประกาศภายในตัวเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีจึงไม่ต้องหาหลักฐานพยานที่ไหนมาเป็นเครื่องยืนยันนอกจากความจริงเต็มส่วนพานจิต เท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันเต็มจัดเต็มส่วนแล้วท่านผู้นี้แหละท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้เห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าตามหลักธรรมชาติแห่งความอัศจรรย์นั้นจริงๆโดยไม่มีการคาดคะเนไม่มีการเสกสรรปั้นยอ่อใดๆเพราะเป็นสภาพแห่งความจริงด้วยกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับตนที่รู้เช่นนั้น นี่ละที่ว่าศาสนาปรากฏขึ้นในโลกคือปรากฏขึ้นในพระไทยของพระพุทธเจ้าอันศาสนาธรรมที่ประกาศสอนโลกนี้เป็นกิริยาแห่งธรรมไม่ใช่ธรรมอันแท้จริงเช่นเดียวกับรอยแห่งโครเราตามรอยโคไปนั้นกับโคนั้นต่างกัน การประพฤติ ป, ป, ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้นั่นคือการตาม ร, ร่องรอยแห่งธรรมความแห่งธรรมคือของหริงเช่นเดียวกับเจ้าของโคตามร่องรอยแห่งโคไปไม่ลดละจนถึงตัวโคได้เมื่อถึงตัวโคแล้วดับ เมื่อถึงตัวโคแล้วรอยโคกับโคก็เป็นอันเดียวกันอาการแห่งธรรมที่ให้ชื่อว่ า, าศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าตรงประกาศสอนโลกซึ่ง เ, เทียบเหมือนรอยโคก็เป็นเช่นนั้นคููปฏิบัติตามทาวาร ที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยสวขาตัถธรรมไม่ลดละย่อมจะเข้าถึงความจริงที่เรียกว่าตัวผู้ได้แก่ผู้รู้คือจิตนี้อันเป็นสถานที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายนับแต่ธรรมขั้นต่งจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิาพาน ไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้เลยนั่นและคือทาแท้อยู่ที่จิตเพราะจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับรับธรรมทั้งหลายทั้งรับทราบรับสัมผัสทั้งเป็นสถานที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหมวอยู่ในจิตนั่นแหละ อาการแห่งการสอนเหล่านั้นหรืออาการแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเกือบเหมือนกับร่องรอยแห่งธรรมเท่านั้นไม่ใช่ธรรมมันแท้จริงแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องนำเนินตามนั้นไอนำเนินอย่างอื่นไม่ได้ไม่ถูกจะไม่เข้าถึงตัวจริงได้เลยต้องนำเนิ น, นเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นองศาจดาแทนพระองค์ท่าน ไม่ลดละและ้อธรรมที่กล่าวนี้ไม่ได้มีการสถานที่ว่าใกล้ว่าไกลเวลานั้นเวลานี้นั่นเป็นสมมุติอันหนึ่งต่างหากส่วนธรรมที่กล่าวนี้ไม่นอกเนื้อไปจากจิตนี้เลย จิตนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่เพราะเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกจึงสามารถรับทำได้ทุกการทุกสถานที่ไม่มีการเวลาเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติจึงต้องสนใจในจิตเป็นสำคัญยิ่งกว่าอื่นดับ Oh. ทมที่กลาวนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติต่างหากไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมีอำนาจมาให้ค่าจ้างรางวัลหรือกีดขวางทางเดินอันชอบธรรมของเรา แต่ขึ้นอยู่กับเราผู้ปฏิบัติขอให้ยึดหลักทมหลักวินัยไว้ด้วยดีเถิดทมที่กล่าวนี้จะเป็นธรรมสดสุดร้อนร้อนปรากฏขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินั้นคือการตามร่องรอยแห่งความจริงเข้าไปอยู่โดยสม่ำเสมอเบื้องต้นก็ล่มลุกคุกคลาน เช่นเดียวกับพวกเราที่ฝึกหัดอบรมทำจิตให้สงบด้วยสมถะธรรมต้องใช้คำริกรรมกากับจะเป็นทาบทใดก็าตามหรืออนาปานสติกำหนดลมหายใจเขาออกก็าตามด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปโดยลำดับไม่คาดมักคาดขน ข้าสวรคนิพานขาบภาพขาบนิมิตต่างๆว่าจะรู้อย่างนั้นจะเห็นอย่างนี้ให้นอกเหนือไปจากงานที่ตนกําลังบริกรรมหรือกําลังกําหนดนั้นนั้นชื่อว่าเป็นการถูกต้องในการประกอบงานจิตใจจะสงบเมื่อถูกบังคับเหตุที่ต้องบังคับก็เพราะกิเลส เป็นผู้บังคับผลักดันหรือฉุดลากออกไปสู่อารมณ์ต่างๆอยู่ไม่มีเวล่มเวลาอิริยาบถด้วยเหตุนี้ผู้ต้องการความสงบอันเป็นฝ่ายธทมจึงต้องได้หักห้ามจิตใจฝึกฝนทรมานจิตใจหนักบ้างเบาบ้างหรือหนักเต็มที่ตามแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นภายในจิตของตน แล้วจิตเมื่ออาศัยอำนาจแห่งความเพียรด้วยวิธีการต่างๆหนั ก, นกบ้างเบาบ้างแล้วก็จะสงบตัวเข้ามาขณะที่จิสตสงบนั้นเป็นขณะที่ยิเลสดสงบตัวเพราะอำนาจแห่งสมถะทมเข้าระงับดับกันใจจะมีความเยือกเยน็น ไม่มีสิ่งใดรบกวนคําว่าสิ่งรบกวนนี้หมายถึงความปรุงของจิตที่ถูกผลักกันออกมาเพราะอำนาจกิเลสอยากให้คิดอยากให้ปรุงเรื่องนั่นเรื่องนี้นันน่นแหละขณะนั้นความอยากปกเทศนี้สงบตัวลงจิตจึงไม่คิดไม่ปรุงเรื่องหนึ่งเรื่องใดพอที่จะให้เพิดเพลินเศร้าโศกไปต่างทรงความสงบไว้ ผลแห่งความสงบนั้นคือความสุขเย็นใจเบาใจเ น, นีปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัจจจัน์ขึ้นภายในใจตามขั้นแห่งจิตแห่งธรรมของตนนี่เรียกว่าเดินตามเร่องรอยอย่างนี้เมื่อจิตมีความสงบพอประมาณย่อม ไม่หิวโหวยกวนกวายกับการคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนแต่ก่อนแล้วนําจิต ด, ดวงที่มีความสงบ พ, พอสมควร น, นั้นพินิจพิจารณาโดยทางปัญญาคําว่าปัญญาคือการสอดส่องไกรกรองในสภาวธรรมทั้งหลายจะเป็นรูปรูปนอกก็ตามรูปในก็ตามเสียง เสียงดีเสียงชั่วก็ตางกลิ่นรดเครื่องสัมผัสที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายของของเราพินิษพิจารณาลงหาความจริงไม่ใช่พิจารณาเพื่อความเพลิดเพลินไม่ใช่พิจารณาเพื่อความเศร้าโศกเสียใจเหมือนโลกทั้งหลายเขาคิดเขาปรุงเขาเศร้าโศกเสียใจเพราะความคิดของเขา แต่ความคิดทางด้านปัญญานี้เพื่อระงับดับสิ่งเหล่านั้นด้วยความรู้จริงเห็นจริงตามจัดตามส่วนตามกำลังแห่งสติปัญญาของตนโดยลาดับเห็นพิจารณารูปไม่ว่ารูปเราไม่ว่ารูปเขารูปหญิงรูปชายมันเป็นรูปด้วยกันที่สมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายนั้นเป็นอาการอันหนึ่ง ที่กิเลมันแต่งตั้งขึ้นมา ม, มีทั้งหญิงทั้งชายออกจากคำว่ามีทั้งหญิงทั้งชายแล้วมันก็แตกขแขนงขึ้นออกไปไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ปรากฏเป็นต้นขึ้นมาแล้วย่อมเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบเป็นลำดับต่ำบานแผ่กระจายไปไม่มีสิ้นสุดนี่พอตั้ง วงผสมแห่งาธาตุขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งอวิชชาพาให้เป็นไปแล้วก็ปรากฏชื่อขึ้นมาตามหลักแห่งกิเลสสมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายนอกจากว่าเป็นหญิงเป็นชายแล้วยังว่าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจและน่าเกลียดหน้าจัง ความเกลียดความชังนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมน่ารักใคร่ชอบใจก็เป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นโ ค, โครงการของกิเลสทั้งมวลในตัวของบุคคลนี่แหละเรียกว่ากิ่งก้านของมันแล้วยังแตกแขนงออกไปอีกไม่มีสิ้นสุดนี่เป็นเรื่องของกิเลสที่มีฝังอยู่ในจิตใจของแต่ละคนละสัตว์ ไม่สงสัยทีนี้คำว่าปัญญาณคลี่คลายดูสกลากายที่กิเลสมันไปปักเสียบลงไว้อย่างลึกฝังขั้วหัวใจเราจนทะลุหัวใจว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามแล้วแยกแยกออกโดยความจริงอันเป็นฝ่ายธรรมว่ามันสวยงามที่ตรงไหนดูไปตั้งแต่ผมนี่แหละ เลื่อยลงไปผมเส้นหนึ่งมันก็สกกับโปรงเท่ากันกับเส้นหนึ่งของมันและเต็มอยู่บนทีรษะของเรามันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลในผมเส้นนั้นๆตกลงในอาหารการบริโภคสะอิดสะเอียนไม่อยากรับทานกันทั้งทั้งทง ท, ง ท, งที่ว่ามันสวยมันงามมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกแง่ทุกมุมอันเรื่องของกิเลสเป็นาง นี่เราพิจารณาแก้วความผูกมัดของกิเลสความปักปันเก็บแดนอย่างจงมิดของกิเลสถอนกันขึ้นมาด้วยปัญญามันสวยงามที่ตรงไหนมีแต่ผมเท่านั้นรักใต้ที่ไหนมัดผมที่เขาตัดทิ้งไว้แล้วไม่มีเจ้าของเอามาดูสิเอามาชมสิชอบใหม่ถ้าจะชอบที่ไหนเพียงเส้นผมขนก็เหมือนกันอีก เอาหนังอ่ะแยกเข้าไปนี่ละนักปฏิบัตินักจะลื้อถอนสิ่งจมปลอมที่มันฝังลึกอยู่ในขั้วหัวใจออกมาให้เห็นความจริงด้วยปัญญาธรรมสติธรรมให้แยกอย่างนี้ดูหนังทั้งหนังหนังเขาหนังเรามันเป็นหนังด้วยกันหนังหญิงหนังชายมันเป็นหนังด้วยกันดูข้างนอกเป็นยังไง ช้าล้างกันอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เครื่องหนุ่มหอมใช้สอยถ้าเข้ามาคร า, ากเท้ากันกับร่างกายที่ว่าสวยว่างามนี่แล้วมันกลายเป็นของสกรปรกโสโครกไปหมดไม้ว่าเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ที่อาศัยต้องเช็ดต้องปัดต้องกวาดต้องช้าต้องล้างเพราะร่างกายนี้มันเป็นตัวปฏิกูลอยู่หมดทั้งตัวแล้ว เป็นแต่เพียงกิเลสมันบังคับหัวใจของคนโง่พราะอำนาจของมันให้เป็นไปตามมันให้เชื่อถือมันเรียกว่าเป็นของสวยของงามไปเท่านั้นความจริงมันปลอมทั้งร้อยเปอร์เซ็มันงามที่ไหนดูหนังดูข้างนอกก็เป็นอย่างนี้ต้องได้ชะได้ล้างอยู่ทุกวันทุกเวลา เสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยต้องซักต้องฟอกต้องล้างต้องเช็ดต้องถูไม่อย่างนั้นดูไม่ได้เอาพลิกเข้าไปข้างในมันหรือเอาข้างในออกมาข้างนอกดูสิเป็นอย่างไรหนังเขาหนังเราถ้าเราออกมาให้เห็นชัดเจนด้วยความกลิ่นไม่ใช่ปลอมเต็มเยิ้มไปด้วยปุโผโลหิต น, น้ำเน่าน้ำหนอง และนานไปกว่านั้นมันก็เน่าเฟะไปหมดไม่ว่าหนังว่าเนือ้อว่าเอ็นว่ากระดูกเต็มไปด้วยของปฏิกูลหมดทั้งตัวของมนุษย์เหล่านี้หาความสะอาดสะอา้ะอานหาความสวยงามที่ไหนมีทําไมจึงหลงกันนอนนักเอาหนาว่าของสวยของงามทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่มันเป็นปา่าช้าผีดิบหมดทั้งตัวนี่เลยแม้ชิ้นเดียวที่จะยกออกมาว่าเป็นของสวยของงามน่ารักให้ประทัใจไม่มีเลย ทำไมจึงได้จมกับความกล่อมของกิเลสถึงขนาดนี้มนุษย์เราทั้งคนเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติทมที่จะเปิดเผยที่จะสอดส่องมองหาความจริงในสกุลกายนี้มีอยู่คือปัญญาพิจารณาสอดแทรกลงไปตามความจริงทั้งหลายที่กล่าวมานี้ทบทวนวกไปเย็นมาคลี่คลายดูทั้งภายในภายนอก เป็นตลอดตัวถึงหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจไปโดยลําดับลําดับและเข้าใจอย่างรู้แจ้งแทงทะลุภายในร่างกายอันนี้แล้วความรักมันถอนตัวทันทีความว่าสวยว่างามถอนตัวทันทีเพราะนั้นเป็นของปลอมจะยังเหลือแต่ความจริงความจริงท่านอจุพะก็เป็นความจริงข่านหนึ่งมันไม่สวยไม่งามมันลบล้างคําว่าสวยงามนั้นได้ จากนั้นก็เป็นอนิจจังแปลสภาพธรรมดากิเลสมันไม่ได้มันไม่ได้ว่านะว่าโลกนี้เป็นอนิจจมันบังคับให้เป็นนิจจังให้เป็นสุขขังให้เป็นอัตตาไปหมดทั้งโลกกรฐานนี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสมันปลอมเป็นตัวของหมันเช่นนี้เรื่องทำแยกไปทำความจริงแล้วในร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังทั้งหมดทั้งร่างเลย มันแปรอยู่ตลอดเวลายิ่งคนตายแล้วยิ่งเห็นได้ชัดเอาไว้สิประมาณสักยี่สิบขีชั่วโมงเท่านั้นจะส่งกลิ่นคลุ้งไปหมดเ้าเ <c oughs> ข้ามาในบ้านในวงศพนั้นจะไม่ได้เลย <c oughs> เหมือนกับคนคนนี้แต่ก่อนเราว่าเป็นเทวดาแล้วกลายเป็นป่าช้าผีดิบให้เห็นอย่างชัดเจนถ้าพิจารณาทางตามหลักควาจริงแล้ว ทำไมจะไม่ย้อนถึงตัวของเราได้ผู้ที่ไม่ตายไปเห็นศพที่ตายแล้วนี่เรียกว่าปัญญาจากนั้นกับพิจารณาขี่คราออกไปกำหนดมันเน่า ท, ท, ทั้งที่ไม่ตายนี่มันจะตายแน่แน่คายคือปัญญากลางไว้ข้างหน้าดักมันให้หมดเอาสมมุติขึ้นว่าตายมันยังไม่ตามาก็จะต้องตายแท้ๆปัญญาอย่างทราบไว้หมด กำหนดตัวของเราตายหรือกำหนดตัวของเขาตายต่ออยู่อยู่ต่อหน้าของเรานั่นแหละแล้วมันเป็นยังไงเน่าพองขึ้นมาจากเน่าพองแล้วก็ระเบิดตัวออกมาแล้วดูอาการไหนดูได้ไหมดูไม่ได้หมดทั้งร่างเลยหน้าสอิดสะเอียนนอกจากนั้นยังหน้าครวสอิดนั่นนี่คือความอิงขั้ น, นจากนั้นก็กระ จ, ระจายลงไป ส่วนที่เป็นน้ำก็กลายเป็นน้ำตามธรรมชาติของมันส่วนที่เป็นดินก็กลายสภาพรงไปเป็นดินตามสภาพของมันเป็นลมเป็นไฟก็ไปตามสภาพของตนเองนี่ก็เป็นความกินขั้นหนึ่งของปัญญาที่พิจารณาให้ถึงความกินตามขั้นตามขั้นดังที่กล่าวมานี้หลายครั้งหลายหนถือว่าเป็นงานของตนในภาคปฏิบัติไม่ต้องไปคิด ให้กิเลสมาหลอกว่าได้พิจารณาแล้วหลายครั้งหลายหนนี่เป็นความหลอกของกิเลสหลายครั้งหรือไม่หลายครั้งก็าตามเมื่อยังไม่เข้าใจแล้วพิจารณาจนเข้าใจเช่นเดียวกับเรารับทานจะนั่งรับทานนานไม่นานไม่สําคัญสําคัญที่ความอิ่มเมื่ออิ่มเมื่อไรก็หยุดได้ถ้ายังไม่อิ่มหยุดไม่ได้เพราะธาตุยังไม่พอกับความต้องการนี่ความจริงยังไม่พอ กับความต้องการของเราต้องพิจารณาให้จนกระทั่งถึงความจริงเมื่อถึงความจริงในขั้นใดแล้วย่อมพอตัวเช่นการพิจารณาร่างกาดังที่กล่าวมานี้เมื่อถึงความจริงเต็มส่วนของรูปประขันได้แก่ร่างกายนี้แล้วกิจย่อมถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในกาย พร้อมกันกับความรู้แจ้งแทงทะลุของมันทั้งเป็นฝ่ายอนิจจงทุกขังอนัตตาทั้งเป็นฝ่ายอสุภะอสุภันเรียบไปหมดนี่เรียกว่าปัญญาขั้นหนที่พิจารณาตามความจริงอา่าสิ่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือทุกขเวทนาที่มีอยู่ในร่างกาย อันเป็นสิ่งที่เด่นชัดในขันนี้ในขันหานี้เวทนาเฉพาะ อ, อย่างยิ่งขณะที่เกิดทุกข์ขึ้นในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือขณะนั่งภาวนาห น, านีก็เป็นปัญญาอีกขั้นแต่ปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นที่เฉียบขาดเป็นขั้นที่เด็ดเดี่ยวอาจฐาน มากทีเดียวจึงจะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้แก่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาก้าสาหัสมากเท่าไหร่สติปัญญายิ่งจะหมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปกับทุกแยกทุกขออกจากกายแยกกายออกจากทุกแยกทุกกับกายออกจากจิตหรือดูจิตแล้วดูทุกขเวทนาแล้วดูกายให้เห็นเป็นสัตว์เป็นส่วน ด้วยปัญญานั้นไม่ยอมถอยคำว่าอยากให้ทุกขายนี้อยากไปอยากความอยากนี้นั่นแหละนั่นท่านเรียกว่าสมุทัยอยากให้ทุกข์หายเท่าไรทุกยิ่งเพิ่มขึ้นอยากทราบความจริงนั่นแหละเป็นความอยากที่ชอบทําเรียกว่าเป็นมักคือทางที่จะให้เรารู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่เราต้องการให้อยากลงตรงนั้นในขณะที่ทุกเกิดขึ้นมากๆเราอย่าไปหมายปะชา อย่าไปหมายเรื่องความล้มความตายอย่าไปหมายเรื่องความอยากหายจากความทุกข์ทั้งหลายแต่ให้มุ่งมั่นต่อความจริงด้วยปัญญามีปัญญานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ฟาดฟันหันแหลกสิ่งจอมปลอมที่คาดน้นหมายนี้ป่าช้าปัดลกชัดที่ไหนว่าเป็นที่เป็นที่ตายตลอดทึงความทุกข์ทรมานต่างๆปัญญานี่จะฟาดฟันหันแหลกให้เห็นจริงเปหมด แล้วลงมายุติกันที่จิตอันเป็นความจริงทุกขเวทนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วนั่นและคือความถูกต้องของธรรมทุกจะหายไม่หายไม่สำคัญขอให้รู้ความจริงนี่เป็นหลักการปฏิบัติและเป็นจุดที่เรามุ่งหมายเป็นสิ่งที่เราต้องการโดยแท้ นี่นี่ก็เป็นปัญญาอีกขั้นส่วนสัญญาสังขาร น, นี้ขึ้นอยู่กับจิตขั้นละเอียดมากแม้จะอธิบายให้ฟังก็จะเข้าใจได้ยากเมื่อยังไม่ถึงขั้นแต่ควรเข้าใจกันแล้วคือสัญญาความหมายมันหมายออกไปจากจิตนี่แหละ ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบเรื่องสัญญาของตัวเองได้อย่างชัดเจนและปวดเรื่องกันได้หายความหลอกลวงตัวเองคําว่าสัญญาคือตัวหลอกมันซึมออกไปเหมือนกระดาษซึมออกมาเป็นภาพเมื่อซึมออกไปเราก็ไม่รู้เมื่อปรากฏเป็นภาพขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้เราก็เข้าใจว่าเป็นมาจากที่อื่นที่ใดก็ไปหลงเพลินอยู่กับภาพาต่างๆ เรื่องราวต่างๆจิตใจจึงอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่านเป็นเงาของตัวเองได้แก่สัญญานั่นแหละเมื่อกิดถึงขั้นนี้แล้วมันทราบทันทีทันทีพอกระดิกออกหรือซึมออกนิดเท่านั้นนั่นจะเป็นการเตือนสติปัญญาที่พร้อมตัวอยู่แล้วให้รู้ชัดตามเป็นจริงทันทีและดับลงทันทีทันทีผลสุดท้ายก็รู้ได้ชัดเจนว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลอกลวงออกมาจากขันนี้เท่านั้นไปหลอกตัวเองให้หลงเพราะเป็นผู้มุ่งต่อความอย า, อยากรู้ในทางจำปลอมอยู่แล้วมันก็ยิ่งหลงหลงได้เร็วไงแต่เมื่อมุ่งเพื่อความรู้จริงเห็นจริงแล้วมันก็ทราบสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนและรวดเร็วเหมือนกันว่ามันหลอกเรา น, น, นี่พูดถึงขั้นปัญญาในการพิจารณารูป จะพิจารณารูปไหนก็ตามยกตัว อ, อย่างเช่นท่านให้ไเยี่ยมป่าช้าก็เราแม้จะมีอยู่ในตัวของเราที่เรียกว่าป่าช้าสรรพเภทมีอยู่นี้หมดในร่างกายของเรานี่เราไม่สามารถจะทราบจึงให้ไปดูยาดูอย่างเด่นชัดของคนตายแล้วในป่าช้านั้นแล้วย้อนเข้ามาเทียบกับตัวของเราเองซึ่งมีความจริงเท่ากันเป็นเหมือนกัน พอได้หลักได้เกณฑ์จากนั้นแล้วเราก็พิจารณาตัวของเราปล่อยการปไะเยี่ยมปัดช้าภายนอกก็ได้นี่นี่พูดถึงเรื่องขั้นปัญญาให้พิจารณาชอดซองบังคับบัญชากันด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอการฝืนนั่นแหลคือการต่อสู้กับกิเลสอดการอดการทนในการประกอบความพักเผ่ยนนั่นแหลคือการต่อสู้กับกิเลส การขัดการขืนกิเลสไม่ใช่การคล้อยตามกิเลสการความอ่อนแอความขี้เกียจขี้คร้านความเห็นแก่ความสะดวกสบายเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลตรงทราบกันไว้โดยทั่วกันอันนี้เคยฝังใจเรามานานแล้วเพราะฉะนั้นนิสัยหรือกิเลสประเภทนี้เวลาเรามาบวชมันจึงตามรังวานเราทาลายเราอยู่เสมอ นับกลมเราให้หลับสนิทโดยไม่รู้สึกตัวว่านั้นคือกิเลสเลยมีทุกรูปทุกนามทุกดวงใจทำไมเราจะทราบได้ทำเท่านั้นเป็นเครื่องส่องเป็นเครื่องวิภาควิจารเป็นเครื่องพินิษฐพิจณาที่จะให้ทราบสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องจองกลอมขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะทำนั่นนับวันที่จะเหนือกิเลสขึ้นไปทุกวัน เมื่อได้รับการอบรมการศึกษาการบำรุงการรักษาอยู่เสมอจิตก็จะมีความเจริญขึ้นด้วยความสงบสุขปัญญาก็จะมีความเจริญขึ้นด้วยความเฉลียวฉลาดรอบบัวและรวดเร็วไปโดยลําดับสติกับปัญญาก็นบับวรนจะเกลี่ยไกลไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปโดยลําดับลาดับนี่แหละสภาธรรมชาตินี่แหละ จะสามารถรู้สิ่งเหล่าที่กล่าวมาเหล่านี้ได้ไปโดยลำดับๆไม่ต้องสงสัยจนกระทั่งรู้แจ้งแทนทะลุในสิ่งเหล่านี้และหมดไปจากจิตใจแล้วไม่มีอะไรที่จะมาสะแสดงอาการอย่างนั้นให้เราเห็นอีกนี่ทำไมจะไม่รู้มาเป็นฉะ่นั้นแล้วอาการเหล่านี้มันเป็นกิเลสมันเป็น เครื่องหลอกลวงเป็นเครื่องก่อกวนอย่างลึกลับอย่างละอาอาาย่างละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าสติปัญญาของเราจะรู้ดับทันมันได้ในขั้นเริ่มแรกต่อเมื่อเราได้อบรมสติปัญญาของเราด้วยความภาคเพียรอยู่โดยไม่ลดละแล้วอย่างไรก็ไปไม่ผลสติธรรมปัญญาธรรมขันติธรรมวิริยะธรรมนี่เป็นสําคัญมากที่จะ ตามชะตามล้างตามจองล้างจองพรานกันกันบสิ่งเหล่านี้ให้มันแหลกแตกกระจายไปจากจิตใจได้นี่แหละที่ว่าธรรมะนับวันเหนือกิเลสขึ้นไปโดยลาดับเมื่อได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอเหนือจนกระทั่งถึงราบให้ราบเรียบไปจากใจได้เราอย่าไปคิดครั้งพุตธการกับครั้งนี้ว่ามีการต่างกันอย่างไรไม่มีสิ่งใดต่างกันโดยหลักความจริงครั้งนั้นกิเลส ก็มีอยู่ในหัวใจสัตว์เหมือนกันมีกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดในหัวใจของสัตว์โลกเช่นเดียวกันอุบาวิธีการจากพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนก็เรียกว่าสวขาธรรมตรัสไม่ชอบในการแก้ในการถอดถอนในการปราบปราบกิเลสเช่นเดียวกันกับสมัยปัจจุบันนี้กิเลส จ, จากน้นมาถึงสมัยนี้ก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันไม่มีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลงไปตามการสถานที่ เวลเวลามาถึงสมัยเรานี้แล้วจึงเป็นกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่กิเลสประเภทนั้นจําต้องเปลี่ยนแปลงอัดรมขึ้นมาแก้ไขกันใหม่จึงจะทันกันอย่างนี้ไม่มีมันจะออกแง่ใดมุมใดก็ตามเป็นแง่ของกิเลสเป็นมุมของกิเลสที่จะต้องปราบด้วยธรรมอันเป็นความชอบธรรมจากสุขารธรรมของพระเจ้าแล้วทั้งนั้นไม่นอกเนื้อไปจากสุขารธรรมนี่หละสําคัญที่เราจะนํามาใช้เล่ายาเสียดายชีวิต อันเป็นเครื่องฝังจมอยู่กับกิเลสเอาตายให้ตายด้วยอัดด้วยทำเป็นสิ่งที่สง่างามมากในเพศของนักบวชเรานี่เนี่ยปัญญาให้พิจารณาอย่างนะเอาให้กินให้จังนะปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าธรรมภาย ใ, ในใจเราอยับไม่อยากพูดว่าทําในที่หนุ่นทําใ น, นที่นี่เพราะไม่สนิทใจเลย ถ้าพูดว่าทําในใจหิจอใจกับทาเป็นเดียวกันนั้นถึงไหนถึงกันเราพูดได้เต็มปากเพราะรู้อยู่เต็มใจนี่ไม่ได้อวน<ม>นี่เราให้ปฏิบัติลงที่นี่เวลานี้จิตกำลังเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเราทราบใหม่เราเป็นนักปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบผู้อื่นหาทางทราบได้ไดยากนอกจากผู้นั้นก็เป็นผู้สนใจในการปฏิบัติจะทราบถึงเรื่องว่า ใจนี้เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราความโรคเกิดขึ้นมันสุกเมื่อไหร่มันบีบหัวใจความโกรธเกิดขึ้นก็บีบหัวใจความรักความชังความเสียดความขู่อะไรก็ตามเกิดขึ้นมันบีบหัวใจทั้งนั้นแล้วทําไมใจจะไม่เรียกร้องหาความช่วยเหลือตั้งแต่เราได้รับความทุกข์ความลําบากด้วยเหตุผลกลไกใดย่งต้องเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากผู้อื่น นี่ใจก็เช่นเดียวกันเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเราจะนําอะไรไปช่วยจิตใจหรือจะนําฟืนนําไทยเข้าไปเผาให้มันแหลกแตกกระจายไปอีกนั่นเหลอไม่สมควรจะนั่ปฏิบัติเราเลยติดมันติดอะไรตามแก้ให้ใหได้เราอยาเห็นว่าเป็นความลําบากลาบุซึ่งเป็นเรื่องของจิตเลวียงหลอกอีกทั้งนั้นอย่างไรจะแก้ได้เอาแก้ลงไปพิจารณาลงไปนี่ถึงขั้นปัญญาที่ควรพิจารณา นั่น น, นี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณาปัญญาเฮ้ยเมื่อเวลาเราต้องการความสงบเราจะพิจารณาทำหมดได้ก็ดังที่เราเคยได้ปฏิบัติมาแล้วเมื่อถึงขั้นพอมีหลักมีเกณฑ์แล้วไม่ได้ถามหาใครถามจากใครแหละจะรู้เองยิ่ยงจิตมีฐานแห่งความสงบด้วยแล้วไม่ต้องนำคำบริกรรมมาบริกรรมเลย พอกาหนดนี้จิตสงบเข้าไปเลยเพราะความชนานาญต่างกันเช่นเดียวกับเราเริ่มเรียนหนังสือเขียนหนังสือจะเขียนแต่ละตัวนี้เราต้องนึกถึงตัวมันซะก่อนออักษร น, นั้นสละนั้นหรือพยัญชนะนั้นก่อนที่กว่าที่จะมาผสมตัวได้ก็เสียเวลานานทีนี้กับความชนานาญในการเรียนการเขียนแล้วนั้นเป็นอย่างไรพอจะ เริ่มเขียนชื่อดรืนามอะไรทั้งสละทั้งพยัญชนะมาพร้อมกันเลยทีเดียวนี่การพิจารณาด้วยความคล่องแคล่วด้วยความฉลดาดนะก็เหมือนกันเช่นนั้นไม่ใช่จะต้องตั้งท่าตั้งทางหาคําบุ่นกรรมต้องกําหนดอย่างนั้นกําหนดอย่างนี้เหมือนเด็กเรียนหนังสือเขียนหนังสือนั่นเลยพอกําหนดนี้มาพร้อมกันพร้อมกันนี่ เวลาจะต้องการความสงบไม่ต้องคิดต้องยุ่งกับเรื่องความคิดทางด้านปัญญาใดๆทั้งสิ้นให้ทำหน้าที่เพื่อความสงบอย่างเดียวทำงานให้เป็นวักเป็นตอนเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่าให้ข้าวกายกันเป็นความรางัรงเลสงสัยไม่ถูกทางเมื่อจะทำความสงบทำให้สงบมีหน้าที่เดียวเท่านั้น เหมือนกับว่าเราไม่เคยพิจารณาทางด้านปัญญามาเลยตั้งนาทักจิตให้สงบการทักจิตให้สงบนี้ถ้าพูดถึงเป็นผลแล้วก็มีแต่ผลในความสุขสบายในขณะนั้นเท่านั้นแต่ผลทางการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสให้หมดเป็นชิ้นเป็นอันนั้นอะไม่ได้จากสมาธิต้องถอดต้องถอน ด, ด้วยอำนาจของปัญญาแต่การพักสมาธินี้เพื่อเอากาลัง ในการประกอบงานโดยทางสติปัญญาของเราต่อไปไม่ได้พักอยู่ไม่ได้ต้องพักท่านจึงว่าสมาธิกับปัญญาเป็นเครื่องเป็นธรรมที่แยกกันไม่ออกหาที่ค้านไม่ได้เลยพระเป็นความจริงอย่างนั้นคนเราเมื่อทํางานอีกมหิวเมื่อยล้าต้องพักอืมพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหาราเวลาจะหมดไปอาหารการบริโภคจะสิ้นเปลืองไป ก็เพื่อกําลังบางชาของธาตุของการพิพ จ, รจิตรณาเพราะจิตประเภทที่มีความสงบตัวแล้วย่อมไม่หิวโหยย่ยอมไม่ทะเลทลายไปตามอารมณ์ต่างๆดังที่เคยเป็นมาถ้พาพิพจิตรณาอะไรก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นปัญญาจริงๆนั่นสมาธิจริงเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะหล่อเลี้ย ง, จ, งจิตใจให้มีความอิ่มตัวและตั้งหน้าต่งตางๆ พิจารณาทางด้านปัญญาได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยนี่ถึงค้าเวลาสงบให้พิจารณาให้สงบอย่างนั้นถึงเวลาถึงการที่จควรพิจารณาปัญญาให้พิจารณาจะเป็นความสงบขั้นใดควรแก่ปัญญาขั้นนั้นขั้นนั้นอย่าไปคาดว่าต้องในสมาธิขั้นนั้นแล้วจึงพิจารณาปัญญาหรืออยู่อยู่มีสิ่งใดเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ควรจะได้อุบายจากสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์นั้น เราก็พิจารณาได้ทั้งๆ ท, ที่จิตยังไม่สงบก็ตามแล้วแต่ความถนัดความเหมาะสมในขณะที่จิงต่างๆมาสัมผัสนั่นนี่เป็นหลักสำคัญมากในการปฏิบัติเอาให้น่าจิตไม่มีอันใดประเสริญยิ่งกว่าจิตในโลกทั้งสามนี้กามโลกรูปรโลกอรูปรโลกนี่ท่านเรียกว่าโลกสาม และโลกธาตุสามก็คือนี่แหละไม่ใช่อะไรทั้งสามนี้เป็นมีกิเลสเป็นผู้ควบคุมทั้งนั้นไม่มีโลกใดจะเหนือกิเลสนี้ไปได้เลยกิเลส จ, จึงเป็นตัวมีอำนาจมากที่สุดในสังสญญารจัฏแห่งความท่องเที่ยวเกิดแก่เสด็จตายทั้ง3นี้เป็นความบงการของกิเลสทั้งหมดพาให้เกิดพาให้ตายให้เกิดในภพนั่นภพนี้น้อยใหญ่ เป็นเรื่องของกิเลสคืออวิชชาตัวพาให้เกิดวิบากได้แก่บาปบุญเป็นสิ่งที่แทรกไปตามพื้นฐานของอวิชชานั้นพื้นฐานคืออวิชชาพาให้เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แทรกพาให้เกิดชุ่มสูงต่ารุ่นบุญดอนไปด้วยอำนาจแถนวิบากกรรมอันดีและชั่วบุญบาปต่างกันนี่มีอยู่ที่จิตเรานี้ไม่มีวิชาใดในโลกนี้ที่จะพิสูจน์ความจริงอันนี้นให้เด่นชัดขึ้น ประจักษ์ใจนอกจากวิชาธรร ม, มปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิปฏิเวปฏิเวท ธ, ธรรมสามอย่างนี้กลมกลืนกันแล้วความจริงอันนี้จะเด่นขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องไปถามใครว่าตายเปิดตายสูนถามทำไมความจริงมีอยู่กับเราของเต็มหัวใจอยู่แล้วเนี่ยเราจะเริ่มทราบไปเดิมหนับตั้งแต่กิจเป็นสมาธิ จิตเป็นสมาธิย่อมเป็นตัวของตัวในขั้นนี้ขันคือรูปกายเป็นอย่างหนึ่งความสงบของจิตความสว่างกะจาแกแจ้งของจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่ภายในร่างอันนี้แต่ไม่ใช่ร่างอันนี้พอถึงขั้นปัญญาเที่ยวตัดเกี่ยวฟันมันติดมันสัมพันธ์อยู่กับอะไรยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งใดในธาตุในขันอันนี้ พิจารณาไปตั้งแต่รูปกายดังที่กล่าวจนกระทั่งถึงมันทอตัวไม่มีอะไรที่จะสงสัยอีกแล้วภายในร่างกายนี้ทอนอุปทานความมั่นมั่นถือมั่นในกายออกมาได้อย่างเด่นชัดหายสงสัยการพิจารณากายในเวลานั้นหมดปัญหาไปแล้วเพราะอิ่มตัวแล้วเห็นชัดแล้วพิจารณาไปเพื่ออะไรมากอย่างนี้จึงเรียกว่านักปฏิบัติให้มันเห็นอย่างนี้หิวก็ให้รู้ว่ามันหิว มันอิ่มก็ให้รู้ว่ามันอิ่มมันยึดมั่นถือมั่นด้วยความหิวโหยก็ให้รู้ว่ามันยึดมั่นถือมั่นด้วยความหิวยมันอิ่มตัวแล้วด้วยการพิจารณารู้แจ้งแทงทะลุตามหลักความคิดของมันก็ให้รู้นี่ทีนี้การพิจารณาเวทนาสัญชาสัญญาสัญญาสัญญาอวิญาจะเป็นขันใดก็ตามไม่ใช่เราจะต้องพิจารณาไปทั้งหมดพิจารณานี้และพิจารณานั้นมันถนัดในขันใดเวทนาใดพิจารณาเถอวิ่งประสานกันไปหมดในขันทั้งสี่นี้ เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนแล้วขันนี้ก็เป็นแต่อาการอาการอันหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวจริงนานี่แหละภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้เวทนาความสุขความทุกข์มันมีเกิดมีดับมีตั้งอยู่เพียงเท่านั้นเรื่องของหมัก<อ>สัญญาก็มีความเกิดความดับถ้าเราไม่หลงมันแล้วจะมันก็จะมีพิษมีสงอะไรกับเราสังขานความปรุงปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรก็ตามมันพร้อมกันทั้งนั้น ด้วยความเกิดความดับไปต่างๆกันและเป็นเราเป็นข้องเราที่ไหนวิญญาณคํามรูร้สับจากรูปเสียงกลิ่นโน้เครื่องสัมผัสที่เข้ามากระทบตาหตูจมูกลิ้นกายของเรามันก็สักแต่ว่าเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับสัมผัสแล้วดับไปดับไปเหมือนแสงหิ้งห้อยแล้วเอาความจริงจากแสงหิ้งห้อยที่ไหนได้ปัญญาอย่างทราบลงอย่างทราบลงนี่ก็ตัดไปหมดที่นี่อืมอาการทั้งห้าคือรูป ก็เป็นอันว่าผ่านไปแล้วด้วยความรู้จริงเห็นจริ ง, รงเวทนาสัญญาสังขารวิย่างอันเป็นส่วนละเอียดเว้นเวทนาจิเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ร, รู้ได้ชัดปล่อยได้อย่างชัดเจนสัญญาสังขารวิย่ญญาณแต่ละอาการฟังแต่ว่าอาการมันเป็นตัวเป็นตนเป็นสันตุเป็นบุคลบคลที่ไหนกัน ถ้ามันเป็นตัดเป็นบุคคลมันจะเป็นอาการอย่างไงอาการมีการเกิดขึ้นมีการดับไปมีการเคลื่อนไหวกันอยตลอดเวลาอันนี้จังทุกขังหน้าตาเต็มตัวของมันเต็มดวงมันทุกข์ขันเห็นได้อย่างชาัดเจนจิตเมื่อเห็นอย่างชาัดเจนแล้วย่อมไม่หลงอาการของตัวเองย่อมไม่ตื่นเงาของตัวเองคืออาการทั้งห้า น, นี้คือเงาของจิตนั่นแหละจเองจิตมีอวิชชาเป็นตัวหลอกให้หลงอยู่ในนั้น ตีตะล่อมเขาไปตะล่อมเขาไปดังที่กล่าวมันจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในอาการที่กล่าวมาคือรูปเวทนาสุขทุกเฉยภายในร่างกายสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งที่มาสัมผัสแล้วดับไปดับไป ทั้งห้านี้เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นหลงมันอะไรนี่หมายถึงว่าปัญญามันชัดแล้วมันปล่อยของมันเองเมื่อเปเช่นนั้นคําว่าวิชาซึ่งอาศัยสายทางทั้งห้านี้เป็นที่ที่ออกเที่ยวหากิ่งก็ถูกตัดเข้ามาตัดเข้ามาอวิชามหาทางเดินไม่ได้จะเดินทางตาเพื่อเข้าสู่รูปเพื่อไปสู่รูป เดินทางหูเพื่อเข้าไปสู่เสียงหลงรักหลงชังในรูปในเสียงเดินเข้าไปสู่กลิ่นสู่รสเครื่องสัมผัสต่างๆให้เกิดความรักความชังความเกลียดความโกรธขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาก็ถูกตัดหมดแล้วด้วยปัญญาอาวิชชาหาทางเดินไม่ได้หดตัวเข้าไปเหล่านี้มีแต่เพียงอาการไม่ใช่กิเลสนะรูปไม่ใช่กิเลสเวทนาไม่ใช่กิเลส ไม่ว่าสุขว่าทุกเฉยไม่ใช่กิเลสทั้งนั้นสัญญาสังขารวิญญาณแต่และอย่างอย่างไม่ใช่กิเลสเป็นทางเดินของกิแต่เป็นทางเดินของกิเลสหรือเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อสติปัญญาได้ ก, กัณกรหรือได้ฟาดพันเข้าไปฟาดฟันเข้าไ ป, าาไปสิ่ง น, นี้จึงทราบได้ชัดว่าเป็นเพียงเครื่องมือและตัดกันออกตัดกันออกตัดสะพานกันให้ขาดว่าขาดตาไปก็เหลือแต่อวิชชาที่ว่าปัจจัสร้างฆาราให้เกิดนังก็นี้มันไปไม่ได้ที่นี่ เราจะอวิชาอวิชาตัวนี้ลึกลับสนับซับซ้อนเกินกว่าที่สติปัญญาธรรมดาจะรู้ได้เลยต้องเป็นมหาสติมหาปัญญาเท่านั้นที่จะฟาดฟันทันแหลกกันเข้าไปได้นั่นแ่ะที่นี่น่ะนี่แหละเราพิสูจน์เรื่องวัตจักรนี่อธิบายให้ฟังว่าการพิสูจน์รเรื่องวัตจักรก็ถูกจะถอดถอนวัตจักรออกจากกิตนี้ให้โดยสิ้นเชิงก็ไม่ผิด เพราะมันอยู่ด้วยกันเมื่อพิจารณาเข้าไปถึงขั้นนี้แล้วมันหมดปัญหาที่จะไปสืบต่อที่จะไปดูดดื่มกับการพริจารณาลูปพิจารณาเวทนาสัญญาทั้งขาทัา้ายันมันหมดการสืบต่อคือมันอิ่มตัวหมดแล้วสิ่งที่ไม่อิ่มก็คือความดูดดื่มภา น, นจิตทั้งตนเองเมื่อมีปัญญาอยู่แล้วมันดูดดื่มอะไรอยู่ในที่นั่นอะไรที่มันปรากฏนั่นแหละคือสมมูลกาหนดสติปัญญาเข้าไปในกลุ่มนั้น ตามหลักธรรมชาติแล้วจะเป็นความที่อัศจรรย์อยู่มากภายในจิตตรงนั้นแต่ความอัศจรรย์นั่นคือเครื่องหลอกได้จากตัววิชาแท้เมื่อสติปัญญาทันมันแล้วอันนั้นก็แตกกระจายไปสลายไปหมดไม่มีสิงใดเหลือเลยนี่แหละคือการทำลายสังสารจักภายในจิจเมื่ออวิชชาดับลงไปแล้ว ทำไมจะไม่ไม่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าจิตนี้เคยเกิดเคยตายมากี่ภพกีพ่ชาติภพน้อยพบใหญ่เพราะอะไรเป็นสาเหตุทําไมจะไม่รู้ตัวที่เป็นสาเหตุนี้ได้ถูกทําลายกระจายลงไปหมดไม่มีอะไรแม้แต่ผุยผงแล้วเวลานี้จิตนี้ได้บริสุทธิ์เป็มตัวแล้วจะไปเกิดที่ไหนอีกทิ น, นั่นนี่การพิสูจน์ต้องเอาหลักพระธศาสนาเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์หลักพุทศาสนาก็ กรมเกนกันด้วยปริยัตปฏิบัติปฏิเวทคำว่าปริญัตปฏิเวษาโลมานะคาลันตาตะโจนี้ก็คือปริยัตเน้นนำวิธีการที่ท่านอุปชาท่านสอนเข้าไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติการรู้เห็นไปโดยลําดับค่อยถอดถอนตนไปด้วยความรู้ความเข้าใจของนไปโดยลาดับนี่เรียกว่าปฏิเวทะหรือปฏิเวทค่อยรู้แจ้งเข้าไปโดยลําดับดัๆจนกระทั่งที่รู้แจ้งแทงทะลุหมดที่เด็ดตัญหาวิชาหมดภานาจิตใจแล้ว อะไรจะไปเกิดที่นี่น ะ, ะหมดประจักษ์ภายในจิตไม่ต้องไปถามใครถามทำไมความจริงเต็มหัวใจอยู่นี่าถามใ่รอะไรสันทิฏฐิโกความรู้เองเห็นเองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบพระออวาทไว้สำหรับพิสูจนตนเองซึ่งความจริงมันมีอยู่กับตัวเองด้วยกันจนเห็นแจ้งเห็นจริงในความจริงของตนแล้วจะไปถามใคร นั่นแหละคำว่าวัตจักรบันไลจากจิตตายแล้วไม่เกิดคืออะไรที่นี่ก็คือจิต ด, ดวงนี้ตากรหมายถึงธาตุขันธ์สลายจานนั้นจิตมันเคยเกิดเคยตายที่ไหนมาไม่เคยมีแต่อวิชชาพาให้มันกลิ้งเหมือนฟุตบอลทนัดเองเอา่าพอวิชาหมดฤทธิ์หมดอำนาจแล้วมันไม่กลิ้งที่นี่นั่นแหละธรรมโมปดิโปความสว่างกระจ่างแจ้ง ของธรรมคือใจความสว่างกระจาร่างแจ้งของใจคือธรรมธรรมกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอโกธรรมมธรรมอันเอกได้าดาใจากใจที่บริสุทธิ์นี้เอาที่นี่สงสัยตรงไหนจะไปเกิดที่ไหนไม่เกิดแล้วจะสูญไปไหนที่นี่จิต ด, ดวงนี้สูญไหมจิตที่บอกคำดวงที่ว่าบริสุทธิ์เวลานี้น่ะไม่มีอะไรเข้าเกี่ยวข้องแล้วยังรู้ตัวอยู่ว่าไม่มีอะไรเข้าเกี่ยวข้องสูญไปไหนทีนี่ นี่แหละธนวัฒน์นี่ผ่านศูนย์เอาศูนย์ทั้งรูร้รอยู่นี่เนี่ยวางเลยศูนย์ในบรรดาสิ่งที่เป็นสมมุติที่เรียกอาตมาประเภท ต, ต่างๆศูนย์ไดปหมดผู้ที่รู้ว่ากิเรียกศูนย์นั้นรู้อยู่มีอยู่นั่นแต่ไม่มีอยู่แบบโลกแบบดงสารอันเป็นเรื่องสมมุติแต่ไม่ศูนย์ไปแบบโลกแบบสงสารอันเป็นเรื่องสมมุติอีกเหม Land ือนกันจะว่าทำไม ร, รู้อยู่อย่างนั้นศูนย์แบบนิพพานศูนย์แบบผู้บริสุทธิ์ มีอยู่แบบผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ศูนย์ไปแบบคนมีกิเลสครอบหัวใจไม่ใช่ศูนย์ไปแบบคนมีกิเลสครอบมัวใจทั้งมีอยู่ทั้งศูนย์ไปเป็นเรื่องของคนมีกิเลสครอบหัวใจท่านไม่อยู่ท่านผู้สิน้นกิเลสแล้วสิ้นอยู่ตรงนี้นะ<ม>นี่ผลแห่งการปฏิบตัติอยู่ตรงนี้ไม่อยู่การนั้นมาอยู่สถานที่นี่ไม่อยู่ที่ไห น, นเอาให้จริงให้จังนะักปฏิบตัติถ้าอยากเห็นความเลิศความประเสริฐของกิตใจว่า ไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกนี้อยู่ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนสดสด ร, ร้อนสุขาธรรมเหมือนพระองค์ท่านประทับอยู่สแสดงด้วยพระโอษนันะเราอ่านทำบทใดข้อใดก็ตามเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าประทานพระอุมาศกับให้กับเราผู้เข้าใจในการอ่านอยู่เวลานั้นเวลานั้นนี่ผู้ันเข้าใจนี่ละศาสนาไม่อยู่ที่ไหนดูที่ความจริงศาสนา หลักของศาสดาแท้คือผู้รู้ผู้บริสุทธิ์นี่คือทำแท้ละที่นี่พูดถึงเรื่องทมแท้อาการทำไล้กติกามาแล้วแนะนำสั่งสอนทางเหตุทางผลให้ละชั่วทําดีนั่นเป็นอาการเหมือนกับเราตามรอยโขนนี่คือตามรอยรอยทอนเป็นความจริงซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตใจนี้แท้แล้วตามข้ะมาตามขาม า, า, มข า, มาจนกระทั่งถึงที่นี่แล้ว รอยร่องรอยทั้งหลายหมดปัญหาหมดพอถึงตัวจริงนี่แล้วนั่งก็ให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากทุกยากลำบากในสุขภาพหรือหน้าที่การงานอะความห่วงใย ห, หมู่เพื่อนไม่เคยลดละเป็นอยู่ในหัวใจโดยหลักธรรมชาตินนะไม่ใช่เสกสรรั้นหยก อ, อยากให้รู้ให้เห็นความจริงเวลานี้ยิเลศมั น, นมีอานาจมันครอบหัวใจเรา ครอบหัวใจสารโลกมันเรืองฤทธิ์เรืองอำนาจเรืองวาสนาอืมจนอะไรๆเป็นกิเลสไปทั้ ง, งมวลแม้ผู้ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าตัวเป็นกิเลสเลยเอากิเลสเป็นเราเราเป็นกิเลสไปเสียทีนี้เมื่อเป็นเช่นั้นแล้วมันก็ขัดกับธรรมเลยกายเป็นเราก็เป็นผู้ต่อสู้ธรรมเป็นข้าติดต่อธรรมไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวนั้นจึงนําจงนําความภาพเยน็นวิริยวิริยธรรมขันติธรรม ระยะคือความเพียรขันติคือความอดความทนในหน้าที่การงานอันจะเป็นทางแก้และทางต่อถอนที่เละสติปัญญาธรรมตั้งสติให้ดีพิจิตรพิจารณาฝ้าปันทันแหลกกับพิเดชันเป็นตัวฆ่าสึดของธรรมภายในใจเหล่านี้ให้แหลกแตกกระจายไปจนหมดสิ้นแล้วจะไม่ถามโลกใดตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่คิดให้เสียเวลาจะพอตัวอยู่ภายในจิตดวงนั้น ตลอดอนดันตากาศการแสดงก็เห็นว่าสงกวนรู้สึกเหนื่อยเหน่อยภานจิตใจแล้วเแค่นี้